พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบหกลำดับที่ยี่สิบสามโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่แปดตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าพระรหันโยมนั้นก็สำเร็จได้เมื่อเอิน หลวงพ่อจะได้ไปแสดงถ้ำที่วัดโพธิสมพรอุรีธานีครบรอบร้อยสามปีร้อยสามปีของหลวงปู่วัดโพธิสมพรเขาประกาศทางวิทยุเสียงถ้ำของหลวงตาฮะ่ะตามไม่จริงวันที่สิบเป็นวันเกิดหลวงปู่ ก่ อ, อนที่มลฑลพอไปเทศวันที่เก้าตอนเย็นประม่านซักถุ่มหนึ่งสวดม่นเย็นพม่านถุ่มกกวาพ่อคงจะได้แสดงธรรมข้าวนี่ยเขาจขึ้นให้มนม่นขึ้นไปเทศอยู่เจดีปีที่แล้วไปเทศอยู่ศาลาใหญ่ศาลาปฏิบัติธรรมก็คนหลายเลยพ่อไปเทศปีกลายนี่ หลวงพ่อจำว่าพีทหลวงพ่อได้เทศเกี่ยวกับสันตติมหาอามาตเรื่องสันตติมหาอามาตสันตติมหาอามาตย์คือบางคนก็บอกว่าถามว่าสงสัยว่าเป็นคราวญานี่จะได้สําเร็จพระอรหรันต์บอกจะได้เป็นพระอรหันต์บอกจะได้เป็นพระอรหันต์ใดบอกเป็นคราวญหลวงพ่อก็เลย ยกในมาในพระไตรปิฎกพรธรรมปทัตกถามาในพระไตรปิฎกแต่ว่าเข้าวาตถปลายมือเว้าวัตถะปลายมือแต่ว่าการบำเพ็ญของเพินตั้งแต่ตนมือนะเข้าบริคิดเข้าบริวาตโดยมากน้าบอกแต่เป็นอย่างก็จังเป็นเศรษฐี แต่วกรที่เขาจะเป็นเศรษฐีเนี่ยเขาล่มลุกคุกข้านเขาเห็ุอย่างมากแนะเขาตั้งตนโดยจังไหร่อันในห้องบริคิดห้องคิดแต่ว่าเขาเป็นเศรษฐีแล้วอันนี้คือกันสัน ต, ติมหามาเนี่ยเพิ่นได้สร้างบา ร, รมีมากในอดีตชาติมากไ ม, ก ม, กมก้มหาศาลแล้กับพระเจา้าจุดโทษธนะก็คือกันก็ได้บอมเพ้ น, นแต่สำเร็จเป็นพระหันขึ้นกัน พระบิดาของพระพุทธเจ้าของเฮาแล้วก็นั่งเขมากก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ก่จะบวชเป็นพิกษุนี่ก็ไม่หลายคนที่พ่อได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์แต่กะยากมเมนของใดง่า ย, ายเพราะเหตุว่าเป็นคราวัดหยาิโนมเครื่องพันธนาการ ไม่มากอย่างที่หลวงพอ่อเลยว่ามือว่านมากงกรเครื่องพันธนาการอ่อนๆแต่แก้ได้ยากพระพุทธเจ้าคนตรัสรื่องโศเรื่องตวนที่ภิกษุไปเห็นเวลาไปบินทบาทในกรุงสวัสดีไปเห็นเขาใส่โสตวนใส่โสใส่เสืออมัดนักโทษ นักโทอกษอกสกัด น, นักโทษนักเห็นใส่ใหม่ใส่ข้อตีหลอกไปไปบ่อยกิริยมัดขาอีกต่างหากแล้วก็มัดแขนใส่กันอีกต่างหากเป็นพราเป็นเครื่องพันธนาการที่เห็นแล้วบ่ ม, มีโอกาสที่จะสลัดหรือวนนันหนีออกจากส่วนตวนเล่านี้ได้พระสงฆ์เห็นแล้วโอ้เห็น คลายเอาเบิ้งแล้วสลดหดหูใจที่เป็นนักโทษแล้วเขามัดเครื่องพันธนาการอย่างแข็งแรงมากราบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องพันธนาการที่เหตุเนี่ยพวกท่านทั้งหลายเหตุเนี่ยเจ็บจ้อยเขาน่ะไปแต่เครื่องพันธนาการที่ใหญ่โตกว่านั้นพวกท่านพวท่านเห็นนักกว่านั้น พระสงฆ์ทั้งส0มสิบรูปที่พ้นมาจากป่าดงปเป็นไปเที่ยวทุดงกลับมาโอ้ขนาดเห็นขนาดนี้ก็ยังมาพ่อแห้งแล้วลเครื่องพันธนาการที่หนาแน่นกว่านี้หมมันเขาเห็ุอย่างไรได้ประเจ้าข่านะพระสงฆร์รมพระพุทธเจ้าบอกว่าเครื่องพันธนาการแต่มันเป็นเชือกอ่อนๆลวมๆแต่แกได้ยากยากกว่าตนนี้อีก พรสงเลยถามเรื่องอย่างพระเจ้าค่ะวปณวันเนี่ยสังหาริมทรัพย์สังหาริมาทรัพสังหาริมทรัพย์คือทรัพย์พยเศน เ, เงืนค่ำทรัพย์สมบัติของใช้ต่างๆอันนี้นนว่าสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพ ย, พย์ก็คือผวกที่ดินพวกตึกลานบ้านช่องอที่ของนัก เป็นเครื่องพันธนาการอย่างแรงที่ถ้ามาจิตใจของเขาเนี่ทอนอยากมากเครื่องพันธนาการภายนอกเนี่ยมิถะผูกแค่งผูกขาผูกร่างกายสื่อเครื่องพันธนาการตัวนี้เนี่ยเรื่องบุตรภรรยาสามีเงินข้าทรัพย์สมบัติพัถฐานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย ม, มัดทั้งกายพร้อมมัดทั้งใจพร้อม มันเป็นเครื่องที่มัดยางแน่นหนาหมันคงคันาวาบอมมีบัณฑิตนักปลดัดมากแก้ให้มาสีแจงให้ฟังพวกเล่าทันทั้งหลายบอมมีโอกาสที่จะสะลัดโศตวนที่มันมัดขอ ง, งอ่อนๆเนี่ยแกสลัดออกได้นอกจากบัณฑิตนักปลดัดที่มาสีแจงให้ฟังเหตุผลให้ฟังถึงขนาดนั้นแต่ยังไม่ยอม ยังพยอมทีชะสลัดมนันออกไปยังเห็นว่ามีความสุขกับสิ่งเรานั่นอยู่นี่แหละเครื่องผูกที่ผูกหย่อนหย่อนอ่อนแต่แก้ได้ยากคือสมบัติพัสถานเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าคนเปรียบเทียบม้าในใ้พวกเขาคิดเปงนลูกบ้านเนี่โซตัวเรานั้นเน่ยเขายังสลัดทิ้งออกได้เแต่ว่าสิ่งเรานี่ แก่ได้ยากเพราะท่านพูดที่จะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เท่นี้อย่างพวกคารวญ า, าติโยมเลยเพราะมันเป็นของแก่ได้ยากขนาดนั้นล่ะจ่จะได้สําเร็จมักสําเร็จผลมันมาเป็นของไรง่ายๆขันวาบ่มแบุญนักสักไงบุญบรมีมาตังเก่าแก่อิลีอย่างสันตติมหาอามาตที่หลวงพ่อได้บอกในงานวัน เกิดของลงปูปีที่แล้วก็คือเป็นเป็นอมาตของพระเจ้าประสิ่แล้วก็ชนบทกําเลิบใครข่าวว่าเกิดชึ๊กพวกแข็งขอขึ้นมาในหัวเมืองพระเจ้าปรสิ่งก็เลยทรงสันตติมหาอมาตไปปราบไปปราบปัจจามิตรปราบปราบข่ามาได้พระเจ้าประสิ่งก็เลยหายร่างวันบ่าเออเอาท่านไปปราบอมาตไปปราบ ปัจจามิตรมาแล้วควรจะให้ลังวัลควรจะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดมื่นนี่คือรางวัลลังวัลไปว่ารางวัลสูงสุดนะให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็มื่นในขณะที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดมื่นเนี่ยพญ่าประเสียนกันไปอยู่อีกมุมหนึ่งว่าให้ไพ่เห็นเปุนก็อยู่อีกในเวียงในวังกระไรนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินเจ็ดหมื่นขี่ข้อสร้างอ่อมบ้านอ่อมเมืองละได้รับรางวัลเลย หลังมั่นสูงทรงสูงสักกนระก็มอบสาวสวยเอกเราก็มอบแนวไหสิโลกทางไหนเขาต้องการมอบไปมัดันนยที่พอเป็นพระเจ้าเป็นดินเดสันตติมหามารได้ก่อนได้หลับไล่าชาสงเคราะห์ที่จะเป็นพระเจ้าเป็นดิน เป็นพระเจ้าเปดินแจ๊ดมือเราเลยในคณะเป็นพระเจ้าเปดินแจ๊ดมือเ น, นี่ยกิดมั่นก็นอยู่ในว่างว่นของนี่แหละเอะสุลาพาชีนี่แหละพอนางไปเอหน้ารี่นี่นนหน้ารี่สุราอผ้าชีการสนุกสนานเนี่ย น, น ะ, ะไม่โบเว็นการที่หน้ารี่กับสุลาก็อยู่ในตัวนี่ ก, นกินยังโบเลืมหูเลืมตา เหล่าดีๆเขามากกนินไปสาวสวยๆในยุคสมัยนั้นแปลว่าลุ่มหลงหั่วเม้องกับโลกกี่อย่างลุ่มเลื่อมหูเลื่อมตาบอกขึ้นพอได้ครบเจ็ดมือไปไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินหกมือมือที่เจ็ดนี่แปลว่ามือชุดท้ายล่ะเนี่ยก็ป้าคันไปเล่นท่าน้ำ ไ, ไปอาบน้ชำชำระกาย ไปสนุกสนานในท่าน้ามอีกกวนะพอไปหอดท่าน้ามอาบน้ามขึ้นตั้งโว้งดนตรีขึ้นมาสนุกสนานเป็นอัคคเหสีีไม่ไ ป, ปกนี่กินเขาาจะหกเย็ดมือเพื่อจะให้ควา ม, มอ่อนแอมีในการเล่นเต็นดะบบลี่เล้าไป ขาดอาหารบริกินเขาหน้าก็เลยเป็นล้มพับตายเขาน่ะไปในทานามสันติมหามาตเห็นเมียไม่ตายเท่านั้นแหละขี่เหล่าทั้งหลายที่กินมาเนี่ยหายมัดตัวนไปแต่พอก่อนที่จะตอนเช้านั่นแหะพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์บิณฑบาตเดินเข้าไปในถนนเดินไปบิณฑบาต แต่สันติมหาอามาตอยู่ในข้อสร้างวันไปในข้อสร้างเรียบพนักคนรนพอเป็นพระเจ้าเป็นดินไปทางใดคนเกิดโยกย่อปอปัป่นตบไม้ตบมือใจโย่หู้หิวห้วยพ่อเป็นพระเจ้าเป็นดินเจดมือพอนางข้อสร้า ง, ขงเขามาเมาเหล่าตกแลบปะตกแห ล, แลอยู่ข้อสร้างวันไปแต่ว่าเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เดินสวนทางมาบินธบาต แง่งระลึกได้เนี่ยคือเป็นพุทธะที่เคารพนับถือสูงสุดในจิตใจเขาเนะขนาดเมาขนาดนั้นเลยก็อยู่ในข้อสร้างยังยังประงกหัวไปแสดงความคลวะประงกหัวแสดงขลาวะพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็มองมองดูสัน ต, ติมหามา ร, พรเพลนก็เลยยิ้มแย้มพระโอษ พอเห็นสันติมหาหมาต์ผ ง, งกอยู่ในข้อสร้างแสดงความคารวะเคารพอย่างสุดซึ่งในจิตใจพระพุทธเจ้ามองเห็นพระองค์แย้มพระโอตแต่พระ พ, ระพุทธเจ้าน่จะแย้มพระโอดตต้องมิเหตุเจ้ก่อนนะบอกคือพวกมีกิเลียอย่างพัวเข้านะฮะกัรผัวกิเลยียผัวเข้าเพราะเขามือควักกระแดก็เป็นทกคั่นมึงมีความขับไมให้มึงเอา ม, มือควักกูเด้เหรอท่านมือควักจะไปหัวอากอ้ากากโดดลงไป อาจพวกขี้เหล่าแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนพ้นสีแย้มพระโอษณ์เนี่ยมันต้องมีเหตุสะกก่อนพอเห็นนะฉันตติมหาามาตรประงกศีรษะคารวะกราบคารวะเท่านั้นพระพุทธองค์แย้มพระโอษณ์คือยิ้มยิ้มน้อยๆพอให้พระอนนท์ได้เห็นพระอนนท์ก็ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าการที่พระองค์แยมพระโอษณ์นี่ด้วยเหตุอะไดเนอะ ไ, ไปเจ้าขา พระอง์ก็บอกว่าอานอน n วันนี้สันติมหาอามาตเขาจะไปสู่ท่าน้ําเมื่อไปสู่ท่าน้ําแล้วนี่แหละจะมีอะไรเกิดขึ้นล่ะ ว, วันนี้แหละสันติมหาอามาตย์เขาจะได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์วันนี้แต่ว่าการรัฐเรื่องการเทศเรลอวการพูดของพระพุทธเจ้า ขั้นว่าหากว่าพระพุทธเจ้าจะให้ได้งียบนี่ยจะให้ได้งียบเนี่แปลว่าเสียงนั้นดังไปมดุดยิ่งกว่าโทรทัศน์ยิ่งกว่าวิทยุวิทยุโทรทัศน์นี่แปลว่าเปิดจะก่อนยังได้ยิียแต่นี่ข้าพูดคือความตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยไผลอยู่ในจอกในจอกในศอกในมุมไดนได้เงียบมดุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อนี้ตอนเย็นสันตติมหามาตจะได้สําเร็จเป็นพระหรหัน เออค่ำนี่แหละเออขนาดคนหูหนวกยังได้ยินวนลงไปเพราะว่าพระพุทธเจ้าพณิสางบา ร, รมีมาเดยขันว่าพนอยากเบายังให้ได้คนได้ยินให้ได้ยินมดจนหอดสวรรค์สั่นพมจนหอดเวจีมหานรกขันผูกเป็นขันพณิยักให้ยินได้ยินนี่นะบา ร, รมีพระพุทธเจ้าพณิสางมากบารย์คนทั้งหลายได้ยินแต่นะวา่าเมนีสันญติมหามาจะได้สําเร็จเป็นพระหรัน์ พวกที่ต่อต้านพวกที่บอเสือลงไปโอ้ส ม, มณะกี่ตัวอีกแล้วส ม, มณะโคตรห่มเนอะเออสันตติมหาหมัดกินเหล่าเมาจนว่าหัวฟัดหัวเวียงเอออยู่ข้อสร้างต๊ะแหล่ปะโต๊ะแหล่จะได้สําเร็จเป็นพระรหันต์เอาความใดมาเบอกสันตติมหาหมัดขี่เหล่าขนาดนี้จะได้สําเร็จแต่จังไดแต่ผู้ที่เขารบนับถือเหลื่อมใสายพระพุทธเจ้าเปิ้ลกระบอกเออ ถ้าค่อยดูพระพุทธเจ้าในตรัสคําใดต้องเป็นคํานั้นหนึ่งไม่มีสองแต่ค่อยดูค่อยดูพุทธลีลาของพระพุทธเจ้าเมื่อนี้พระพุทธองค์จะแสดงพุทธลีลาให้พวกเราได้เห็นไปค่อยดูก็แล้วกันนี่แหละคนสองค้นสองกลุ่มนี่ยพวกหนึ่งเบาเสื้อก็อยากไปเบิ้งไอ้พวกที่เสื้อเนี่ยก็อยากไปไปเบิ้งไปเบิง้งในความเคารพนับถือเลื่อมใส ไอ้พวกที่พ่เสือเนี่ยก็ไปเบิ้งเพื่อจะได้ nh nh หย่ อ, อ nh nh หยันมนไปหน่อหยันาเนอสมณะโครมกี่ตัวเนี่ยอันนี้แหะคือคนสองคนบ่าวายุคนั้นสมัยนี้มันเป็นยังสี่่ะโลกกันะไปวันนี้พ่อตกตอนเย็นมากว่นนี้ฉันจะตีมหาอามาตย์ตอนใบยๆไปต่างบ้งกินเหล่ายัางที่ว่าน่าก็แสดงความอ่อนแอน เอาไปบ้านล่มพับลงกลางบ้งนะเป็นล่มเลยตายเล้วนะไปเขยา่ามรูเขย่ามันตายแล้วฉันไปเจ้าแผ่นดิตไม่เนี่ก็สรรสังเวชจยา ย, ยางแลงเลยโอ้ขี่เหลาทั้งหลายหายหมดความเม า, นะเา่ะเ่อความเมาในี่หายแล้วนะไม่ได้คดถึงภัยนะคดถึงแต่พระพุทธเจ้าบ้านเะอ พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่แก่ความโศกให้ขาไปเจ้าได้ข้านอกผู้อื่นบ่มีผู้ใดทิแก่ความโศกให้ขาไปเจ้าได้ขาไปเจ้าความโศกข้าวนี้เป็นวัตรรุ่นแรงที่สุดในชีวิตที่เมียพ้นตายกันไปกันึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวจากนั้นเกิเด่งมหาพระพุทธเจ้าเลยพระพุทธเจ้าม้อหอดแล้วคลอยรับแล้วคนทั้งหลายคืิสองกลุ่มอย่างที่วานะ สันติมหาหมารเข้าไปพระองค์เทศท่า้ฟังเอ้ยสันติผู้หญิงคนเนี้ เ, เคยล้มตายที่เธอได้ร้องไห้เสียใจอย่างนี้เป็นร่วง ก, กี่ครั้งแล้วอันนี้เป็นครั้งหนึ่งในลหลายๆครั้งที่ผ่านมาถ้าหาเธอยังไม่พ้นทุกเธอก็จะต้องเจอจกนอย่างนี้อีกต่อไปภายภาคหน้าเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดตายตา ย, ตายเกิดเกิดตาย ไม่ไม่ใช่พบเดียวชาติเดียวตัวนี้นะอดีตชาติมันมีแต่นี่ชาติหนึ่งในอดีตชาติเธอกเคยสลดสังเวชเคยทุกข์อย่างนี้มาก่อนแล้วในอดีตชาติพู้ลงประเทศให้ฟังโลกมันเป็นมาจังสี่แหละเกิดมาในภพนี่เกิดมาในโลก เ, ลเวียนว่ายตายเกิดในวัตะสงสารลุ่มตุ่มร้อนร้อนเกิดเกิดตายตา ย, ตายทุกทุกจนจนเสีย อ, อกเสียใจมันมีอยู่จึงสี่ละ ทางที่ดีเลยไม่เกิดอีกชำระใจแห้บริสุทธิ์รุดพ้นจากอาสวะกิเลสบ่กเกิดอีกนั่นล่ละดีที่สุดสันติมหามาตดยินพระองค์รเทศอันดีจังทุกครั้งอนันตาแนว่อริยสัจให้ฟังสันติมหามาตไข่กวนไรตองตามท้ำคําสอนของพระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระหรันเออ ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์โอ้ข้าพระองค์จะขอล่าแล้วพระเจ้าขาวะขอล่าตายแล้วพระพุทธเจ้าสันตติคนมันมีอยู่สองกลุ่มสงสัยกลุ่มหนึ่งว่าจะจับโกหกเล่าแต่กลุ่มหนึ่งเนี่ยเขานับถือเรื่อมใส่มาฟั่งการแสดงถ้ำของเล่าตถาคตกับเธอ แต่พวกหนึ่งน่นมาจับพิดว่าส ม, มณะโคโดมโกหกสันติมหมาหมัดเมาเหล่าถึงขนาดนี้แล้วจะได้สำเร็จพาาระงหันจะขาซูนีพลาน เ, เป็นไปบ่ได้นี่คนสองกลุ่มที่ฟั่งอยู่นี่ที่ยืนอยู่นี่ที่นางฟั่งอยู่นี่พระ น, นันเธอต้องแสดง ความบริสุทธิ์ให้เขาได้ยินในฟังด้วยเพื่อแก้ความกังขาเขาพระเจ้าข่าสันติมหามารก็เลยพ่อจะเนี่ยถอยออกมากแล้วก็กราบเนีกราบพระพุทธเจ้าครั้งหนึง่งเหาะขึ้นไปบนต้นตาลไอ้ไข่ขาว่าสูงขนาดต้นตาลหนึ่งสุดชั่วลําตาลหนึ่งต้นลงมากราบพระพุทธเจ้าอีก ฮอขึ้นไปสองตนล่ำตานสูงขึ้นไปอีกแล้วล่องมากกาอีก่อขึ้นไปอีกไปอยู่ถึงสามตนล่ำตานจากนั้นแสดงถ้ำบัดบุพกรรมของข้าพเจ้าในอดีตชาติท่านเอยอดีตชาติของข้าพเจ้าได้สั่งคุณงามความดีมาแบบไร้แบบไร้แบบไรเพื่อการบรรยายายลาบานคนทั้งหลายก็ น, นั่งฟังอยู่ทางไต่ กรรมดีกรรมชั่วมีจริงถ้าผู้ใดทำกรรมชั่วกรรมชั่วจะตามสนองถ้าได้กรรมดีกรรมดีจะตามสนองคาพระเจ้าท้ากำกรรมดีมีดังต่อไปนี้เป็นกรเว้าให้ฟังพ่อแสดงจบแลยก็ลงมากาพระพุทธเจ้าอีกข้าพระองค์ขอลาปรินิพานพระพุทธองค์เออเอาไปตามการอันควรเธอเถอะนะสันตติอมัตพ่อวา่าวแต่นันกาพระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ แสดงอิทธิฤทธิ์เหาะขึ้นบนอากาศาขึ้นไปคือกันกำ บ, บังไฟเมื่นบไฟแสนนงแต่นีนนน่ขึ้นไปแล้วอากาศกัดกากัดกักักัขึ้นไปเม็ดาบาดั้นไฟใหม่เลยร่างกายเพล่นเพราพนเพ่งเตโชเลยเพล่นมีอิทธิฤทธิ์เลยเตโชกสินเพล่นในสำเร็จเป็นพระหันแบบเตวิโชสละพิญโยปฏิสามพิทพปตโต เป็นพระรหันธ์ที่มีอภินิหารพระรหันธ์ไม่อยู่สี่จำพวกสุ ข, ขวิปัสสโกลู่แต่ว่าตัวเองได้สําเร็จแต่บ่มีอิทธิฤทธิ์แต่เป็นผู้มีปัญญาเต็บมบ่มีบ่บ่เห่อเหินเดินฝ่าบ่าได้แสดงฤทธิ์บ่ได้อันนี้เลยว่าพระรหันธ์สุ ข, ขวิปัสสโกแต่เตวิโชสละพิญโยปฏิสามพิทักษ์ปัจโนสามจำพวกนี่ เป็นผูมิลิตเ์เฮเหินเดินฟ้าได้แตกฉานในอัดในถ่ำสีแจ้งเรื่องต่างๆออกเรื่องย่อให้พิสดานได้นี่พระหรหัรสามจำพวกนะแต่ว่าสันตติมหาอมาต์เ่ปดอยู่ในสามจำพวกหลังเนี่นะเตวิโชสละพิญโยปฏิสามพิทปัโตเนี่ยเออเพิ่นได้สำเร็จแล้วเพิ่นก็เหาะแสดงอิทธิฤทธิ์เพ่งเตโชกสินกับวายโยกสินขึ้นไปบนอากาศ ใหม่พอปันบังไฟพ่อขื่นไปอะไรกัอธิธาต์ของพลก็ลงมาเลยบ่เนี่ยปอกแป๊กปอกแป๊กลงมาตามพระพุทธองค์บอกเอ้าเอาผ้าขาวลองลองรับเนี่ยพรองค์ให้เอาผ้าขาวลองรับปานในอธิธาต์พระธาตุของพลกัดตกลงมาอ่าในผ้าขาวนะพระองค์บอกว่าอันนี้คือพระาราหันให้นำอธิธาต์พระธาตุของท่านไปปฏิสถานไว้ในทางสีแพร่ง สร้างสถูปและเจดีย์ไว้ในทางสีแพ่งเพื่อให้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาจะเป็นบุญกุศลของเขาผู้ที่ได้มากราบมาไหว้พระธาตุของพระอรหันต์เป็นมงคลสาหรับเขาเพราะนั้นให้เอาไปสร้างบนทางสีแพ่งเพื่อให้มหาชนได้กราบไหว้สักการะบูชานี่แหละเพ่นวันถูปรหาบุคคลสี่จำพวกที่สมควรที่จะสร้างสถูปและเจดีย์ พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระหารตถาวกพระเจ้าจากักรพรรดินี่แหละอันนี้คือที่หลวงพ่อได้พูดในเรื่องสัน ต, ติมหามาตให้กับคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายฟังนี่แหละสรุปแล้วก็คือผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติชอบบด้เลือกว่าเป็นพระเป็นเจ้าบริเวณวัาวาดญาติโยมอย่างพระผู้หญิง ก็ได้สำเร็จเป็นพระรหันต์คือนา่งเกม่าพระอากามาเหสีของพระเจ้าพิมพิสารในยุคปัจจุบั น, นเงี้ยเลากวามบันใจกับคุณแม่ชีกแก้วนี่เลยกระดูกของเพิินเป็นพระธาตุในขั้งพุทธการกับมีมากเป็นพิกษุนีที่สำเร็จเป็นพระรหันต์และเป็นพระกระบอกเบากันละ่ะแต่เป็นคารวัตก็ได้สําเร็จเป็นพระรหันต์ก็คือที่ปณิบงบอกไงพระไตรปิฎกก็คือนี่แหละสันติมหามาต พระเจ้าจุดโทษทนาเนเอยแต่ว่าเป็นพระเอสําสเร็จเป็นพระรหานี่มากไหมมากมากกว่าพเพราะเพิ่นออกมากหนาทีอันเดียวแต่พระโตกนรกไม่ไหมีเทีย่ยวทัฏเนี่ยเป็นหัวหนา้าเป็นหัวหน้าทั้งไปเอเวจีมหานรกคนออกไปพราะนั้นนรกเนี่ยเพราเต็มขึ้นกันค่อยค่อยตอนรับพระซัวขึ้นกันขั้นพลายซัวกันนั่นนะลงนรกขึ้นกันพอพวกใดดีก็ไปสู่สวรรค์ได้ ถลุแล้วก็คือข้ามฟังเพยของไทยเชียงใหม่เขาบอกว่าเป็นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนี่ยถ้าไปสวรรค์เขาไปได้เร็วไปนิพพานเขาไปได้เร็วถ้าไปตกนรกเขาไปตกนรกได้เร็วไอ้ค้ายเขาว่าครือกันเขเข้าสื้อขืนรถบัสเข้าซื้อ เ, เข้าซื้อขืนรถบัสแล้วเข้าเหยียบปากบ่อเข้าเหยียบปากบ่อน่ย แล้วก็มือนึ้งกับเนียวประตูรถบัสเข้าไปเอี่ยเนียวประตูรถบัสโดดเข้าประตูรถบัสไปเลยเนี่ยาว่ามันลดมือบัสเนีอยมันลดมือจากประตูรถบัสเนี่งายหลังแล้วว่าเนี่ยตกบอแล้วน่ยไปเน่ยตกบอลคือยงังตกนรกาไปคาดที่ว่าคาดนี่ไปนิพพานหรือไปสวรรค์กับเหยียบปากบอลกับถีบเข้าไปเลื่อยเนี่เหยียบปากบอลกันจันเข้าไป ประตูรถบัสรถไฟเลยวันโน่ไปประตูเครื่องบินเลยถ้ากาวันลดประตูลงมากกัหงายห ล, ลังกัล่องนรกกระเวกจีเพราะอไดไเพราะชีวิตของพระนี่เนื่องด้วยผู้อื่นเบิง้งโน้นเนี่ยตั้งแต่อาหารแต่ละเขา่าแต่ละค่ําอาหารของเข้าผานูหฮมเนี่ยเขาได้ไปทํามาค่าขายบอเข้าได้ทํามาหาเลี้ยงฉีพเล้า อ, อื่นบอเป็นเครื่องเขาทําบุญมาทั้งหมด เพราะนั่นเมื่อเข้าถ้ำความชั่วคิดชั่วถ้ำชั่วพูดชั่วขึ้นมาเนี่ยนั่นแหละเข้ากับพอมที่จะตกนรกใดขึ้นกันเพราะเข้าใช่ของเขาโดยที่ไม่ได้คิดในอ่านโดยที่ไม่ได้เมตตาเมตบดญสั่งคุณงามความดีให้กับเขาเขาไปกินของเขาแล้วพรอมที่จะตกนรกแต่ว่าคันนาว้าเข้าประพฤติปฏิบัติ ด, ดีคิดดีถ้ำดีพูดดีเข้ากับพอมที่จะกระโดดเขาสุนิพานสวรรค์นิพานใดง่ายๆ นี่แหละเพรา ะ, ะนั่นขอให้พวกเข้าท่านทั้งหลายนะคิดคิดดูให้ดีก็แล้วกันเพรา ะ, ะนั่นเป็นเป็นพระในโมเมนต์นั่นสนุกสนานนะต้องอยู่ในศีลต้องอยู่ในถ้าต้องคิดอยู่ในศีลคิดอยู่ในถ้ำคิดอยู่ในหลักร้ำวินัยเนี่ถ้าบอกผัวเข้าคิดใดทําใดผู้ใดในศีลในถ้ำแล้วมีแต่ความผ้าสุกแต่ว่าขั้นเท่า มิถึงกินเขาเข้าแล้วใช่ของเขาแล้วมีถึงคิดเรื่องบาดเรื่องเมืองเรื่องลาบเรื่องยศเรื่องพอเป็นเรื่องมีถึงเรื่องกี่เลสพร้อมที่จะตกนรกแต่คำว่าคิดเห็นอันที่จังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์ร่างกายสังขารพอมเป็นคลองหมันคลองเทียงอีกสักหมื่นหนึ่งนะตายแน่เอ่สียงไหนจะเป็นขุนง่ามความดีอัไนไรจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับขาไปเจ้าขาไปเจ้าจะทําสี่งนั้นให้มากที่สศ ด, ดีที่ทด คิดดีที่สุดทำดีที่สุดโพดดีที่สุดอ่าถ้าว่าฟัวเข้าคิดแต่จังสัน่นนะนะพระพุทธองค์เพิ่นบอกว่าเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียวคนนั้นก็คุ้มค่าของใช้ของเขาแล้วแต่ละวันะเมื่อเขากินมื่อเขาเมาเน่หรอไปคิดถิมิตรโซกันเรื่องการบานการเมืองมิตรเรื่องเที่ยวเรื่องเตะพิเตเรื่องกิเลสลาคะโทสะโมหะ บอกเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยนั่นแหละแปลว่าปกคุ้มค่าเขาเลยตายไปแล้วไปใส่หนีเขานะแต่ว่าเข้าเห็นกินเขาเขาแล้วใส่ของเขาเลยเป็นนางคัตสมาธิพาวนากำหนดดูความเกิดความเสื่อมของร่างกายเห็นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียวก็คุ้มค่าอคุ้มค่าข้าวของเขาคุ้มค่าปัจจัยสี่ของเขาเประนั้นผัวเข้านะ็ไปหา หลงลืมตัวจนเกินไปนะเป็นหนีเขาอยู่เป็นหนีเขาคู่มือคููเว้นหนีพอกพูนเลยกระนาวโบกแก่คุณอนุกกระล่างมันมาลองเพลงศาสดรแเลยเอารับพร น, นะ